และธรรมเทศนาลำดับที่สี่โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าศีลและวินัยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยวันนี้เป็นวันอุโบสถแรมสิบห้าคำเดือนสี่วันนี้ตรงกับวันที่สาม เมษายนพุทธศักราช2554พวกเราได้ลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้เมื่อเราฟังปฏิโมกลว้วนแล้วจะเป็นภาษาบาลีแต่พวกเราก็บางคนก็อาจจะคิดในใจทำไมฟังภาษาบาลีไม่รู้เรื่องแต่ทำไมฟัง แต่พวกเรามีช่องทางที่จะจะรู้ภาษาบาลีน่ที่เราจะจะเรียนรู้เราจะศึกษาเราก็ต้องในพระปฏิโมกที่เราสวดเนี่ยจะมีข้มีข้างหนึ่งอัดข้างหนึ่งแปลถ้าเราจะศึกษาเราก็มีช่องทางแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ มากกว่านั้นเป็นภาษาไทยทั้งหมดก็ดูที่นวโกวาดตั้งแต่อนุาสาตร์แดอย่างจนถึงปาราชิกสี่ที่เราสวดตั้งแต่เริ่มปาราชิกสี่รอเริ่มทีแรกก็คือวิธีการจะลงอุโบสถ์นั้นควรเตรียมอะไรบ้างนับภิกษุเท่าไหร่อย่างปิวันน้พระภิกษุมีอยู่สี่สิบสามรูปแล้วก็บอกว่าบอกเป็นภาษาบาลีออกมา พระที่มาประชุมในวันนี้สี่สิบสามรูปก่อนที่จะลงอุโบสถเตรียมน้ําเตรียมสถานที่พร้อมแล้วพวกท่านทั้งหลายเป็นยังไงลู่ระย่างสาธุพันเตอามาพันเตสามครั้งในใครั้ๆว่าผู้ที่สวดนั้นถามถามความพร้อมก่อนที่จะลงอุโบสถจากนั้นก็ได้ถามเกี่ยวกับเดี๋ยวจะได้สวดให้ฟังกับเกี่ยวกับนั่นแหละ อาบัตเลยเถอเนี่ยสินของพระปาลาัชิกสี่มีอยู่สี่สี่สิขาบทโทษประหารของพระมีอยู่สี่ข้อนะปาลาัชิกสี่สังคาที่เศษสิบสามนยศสองนิจกิยาปาจิตีสาสบปาจิตีเก้าสิบสองปฏิเทธนิยะสี่เสกียวัตเจ็ดสิบห้ารวม ทางอาธิกรณะสมถะเข้ารวมเป็นสองยี่สินของพวกเรามีอยู่สองข้อยยี่ข้อนก็สวดให้ฟังปาราชิกสีมีอะไรบ้างสังฆาทิเศษมีอะไรบ้างอนยศมีอะไรบ้างนิสกิยปาชิติสามสิบสวดเป็นข้อข้อข้อข้ อ, ขอพอจบแต่ละข้อนะเนี่ยอิเมคโคปนายสัมมันโตจัตตารปาราชิ ก, กาธรรมมา เคยถามว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ในศินที่ข้าพเจ้าสวดให้ฟังนี่ทุกข้อแล้วใช่ไหมตัทฉมาตุนลีเอวะเมตังธาริยามิข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านทั้งหลายนิ่งท่านทั้งหลายคงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วในศินข้าพเจ้าจึงจําเข้าในพวกท่านนิ่งต่อไปเคยกล่าวแบบเป็นเพาพวกท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ในสินแล้วจึงนิ่ง จากนั้นกนสรสวดขึ้นสังฆาทิเศตต่อพอจบลงมากันนี่แหละแต่สมาตุนฮีเอกพวกท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ในศีลสังฆาทิเศอยังคิดว่าพวกท่านทั้งหลายนิ่งไม่มีใครว่าไม่บริสุทธิ์ข้าพรเจ้าจำความนิ่งนี้ไว้แต่สวดไปอีกอนัยยศพวกท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ในสิกขบทนี้แล้วใช่ไหมคือถามเป็น เป็นจุดๆไปพวกเราก็นั่งประนมมือฟังแต่ะศิคาบทกลวว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ที่ขึ้นไปนั่งบนอาจนะประกาศสวดให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้รับทราบถ้าว่าพิกษุสงไม่ลงอุโบสถในวันนี้ถ้าพระสงฆ์ครบสงฆ์แล้วไม่ลงอุโบสถปรับเอาบรรทุกกฎเป็นผิดสินข้อหนึ่ง แต่ไม่ใช่สินในมาในพระปฏิโมกเป็นสินอภิสมาจารสินนอกพระปฏิโมกสินอภิสมาสินพระมาในพระปฏิโมกหนี่งสองรอยี่สบเจ็ดอย่างที่ผมได้โพสต์แต่สินมาในอภิสมาจารนั้นมากแหมมากยังไม่มีใครนับว่ามมีมากแค่ไหนเพราะในใ น, ในพระวิ น, ยนัยในพระไตรปิฎกนะ ศีนนอกพระปฏิโมกข์นั้นศีนอภิสมาจารนั้นมีมากเพราะนั้นทุกมากหรือน้อยพวกเราก็มีส่วนจะต้องศึกษาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ <c oughs> <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือที่พวกเราฟังจบลงสักครู่นี้ศีนเป็นมาอย่างไรที่พระพุทธเจ้าประมวลกลุ่มครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ วันมาคะบูชาพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเวลุวันแขวงกรุงราชคฤห์วันนั้นตอนบ่ายพระสงฆ์มาพร้อมกัน1250รู้ปโดยที่ไม่ได้นัดแนะจากนั้นพระองค์ขึ้นสวดพระปฏิโมกข์เรื่องของศิลปวันนั้นเป็นวันแรกที่ว่าบัญญัติพระพินัย หรือว่าบัญญัติสินของพระให้พระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้สรุปแล้วก็คือรวบรวมเป็นหมวดหมให้พระสงฆ์สวดอันดับแรกพระพุทธองค์สวดเรืร่อให้โอวาทปฏิโมกเป็นองค์แรกจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้เรียนได้ศึกษาจากนั้นก็นำมาสวด ในถ้ำกลางสง์อย่างที่นั่นน่ะพระพุทธองคบัญญัติวิัย์ในเทพระสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปแล้วต้องลงอุโบสถถ้าไม่ลงอุโบสถปรับประวัติทุกกฎก่อนที่จะลงอุโบสถนั้นทําอย่างไรถ้าไม่ได้พระปฏิโมกทําอย่างไรอันนี้พระพุทธง์ก็เป็นขั้นตอนออกไปแล้วเที่เป็นเป็นวินอะไรเทไนคือกฎบังคับให้พระสงฆ์ปฏิบัติตาม นี่แหละอันนี้คือพระวินัยเป็นเรื่องที่พวกเราที่เป็นพระควรจะศึกษาแต่จะเป็นพระที่อยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วควรจะศึกษาควรจะเรียนรู้ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยนะั้นมีจุดประสงค์อะไรสินและวินัยแห่งมากไม้มีอะไรบ้างศินในพิสมาจาร์สินพระปฏิโมก นี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้สวดมาเรื่อยๆวันอุโบสถก็ต้องลงอุโบสถไม่ลงไม่ได้ปรับอวบศิลป์และวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นถ้าว่าศิล์และวินัยไม่อยู่ในคณะสงฆ์ พระสงฆ์ไม่อยู่ในกฎระเบียบพระสงฆ์ไม่มีศีลพระสงฆ์ไม่อยู่ในวินยัยพระสงฆ์ผมยาวซะหนุ่งกลางเกงซะอย่างเนี้ยไม่อยู่ในกฎหรือว่า ร, รมไม่เห็นรักษาวินยัยไม่มีศีลพระพุทธศาสนาก็หมดหมดเลยไม่มีถ้าว่าพระสงฆ์อย่างรักษาพระวินยัยอย่างรักษากฎระเบียบอย่างรักษาอยู่ในฟอร์มนีม่อยู่ พระพุทธศาสนาไม่ว่าแต่พันปีหมื่นปีอยู่ไปเรื่อยๆเพราะพระสงฆ์อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นเรื่องหลักพระธรรมวินัยเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราอยากจะให้พระพุทธศาสนาอยู่ยงยาวนานพวกเราก็ต้องมีกฎมีกติกา ต้องเป็นผู้มีสินต้องรักษาสินสินนีน่เป็นพื้นฐานของคุณงามความดีพระสงฆ์ที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเรียนผาสุขพระสงฆ์ก็จะต้องเป็นผู้มีสินถ้าว่าพระสงฆ์ไม่มีสินไม่มีวินยัยใครอยากจะทำอะไรทำตามอัตถาใจทำตามอำเภอใจสงฆ์กลุ่มนั้นก็หากฎหาเกณฑ์ไม่ได้ผลในสุดก็ ต่างคนก็ต่างทำตามใจตัวเองชอบตัวเองโวยมากมันจะชอบไปทางต่ำชอบไปทางกิเลสผลที่สุดก็สงกุมนั่นก็แตกแยกสัมมาคีกันหาความสงบพรมเย็นเป็นจุกไม่ได้สรุปแล้วก็คือสินก็คือกฎระเบียบคือถ้าจะเปรียบเทียบกับทางโลกของเขาก็คือกฎหมายกฎหมายคุ้มครองกฎหมายของประเทศ กฎหมายระะัฐธรรมนูญปกครองประเทศอันนี้ก็คือสินปกครองคณะสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เป็นผู้มีสินแล้วถึงจะมากมายขนาดไหนถ้าทุกองค์เขารบในกฎระเบียบวินยัยก็อยู่ด้วยกันด้วยกฎระเบียบวินยัยก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุใด เพราะว่ากฎระเบียบ์พินัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วเป็นกฎระเบียบที่ควบคุมทุกทกระดับทั้งกายทั้งวาจากายวาจาแต่ว่าใจอ น, นั้นต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องควบคุมคือถึงจะคิดยังไงก็ตามแต่ไม่แสดงออกทางกายและไม่ให้คิดออกทางวาไม่ให้พูดทางวาจา ศีลและวินัยเนี่ยคุ้มครองกายกับวาจาทวนใจนั้นมันจะนึกคิดเตืองอะไรคิดอยากจะฆ่าคนอื่นมันก็ผิดผิดผิดธรรมแต่ยังไม่ผิดวินยัยถึงใจจะคิดอยากจะพูดแต่ยังไม่ได้พูดแต่ก็ยังไม่ผิดวินยัยเพราะเหตุไรเพราะยังไม่ได้ไม่ได้พูดออกทางวาจาอยากจะคดอยากจะโกงอยากจะตุ่มอยากจะตุนอยากจะ วางแผนฆ่าคนอย่างเนี้ยบอกให้คนว่าจ้างให้คนไปฆ่าคนอย่างนี้แต่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้พูดก็ยังไม่เป็นอาบัติแต่พูดออกไปเมื่อไหร่แล้วก็เขาปฏิบัติตามคำพูดของตัวเองเมื่อไหร่เมื่อนั้นตัวเองก็ขาดจากการเป็นพระได้หรือตัวเองอวดอุต ร, ริมนุจธรรมออกทางวาจาแต่คิดเฉยเฉยยังไม่ได้พูด ก็ยังไม่เป็นอาบัติแต่พูดออกมาเป็นอาบัติขาดจะกการเป็นพระได้ด้วยวาจา okay. การกระทำก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นศีลหรือวินัยเนี่ยรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลสรุปแล้วก็คือศีลเนี่ยรักษากรบรักษากายกระวาจานะกายก็คือร่างกายของเราการกระทำการเคลื่อนไหว ฆ่าสัตว์บังขโมยของทรัพย์ของอื่นบังเราจะเอาวาจาขโมยไม่ได้เราต้องบอกคนอื่นบอกคนอื่นให้ขโมยก็มันก็ขโมยได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นบุคคลที่สองไปถ้าเขาไม่ขโมยล่ะตามที่เราบอกเราก็ยังก็ยังไม่ผิดศีลแต่ว่าผิดธรรมผิดธรรมในใจเพราะเหตุไรเพราะว่าเราคิดอยากจะได้ของเขาโลภในใจของเราแล้ว แต่ยังไม่ผิดศีลแต่เมื่อเขาบุคคลที่เราใช้ให้ไปขโมยไปขโมยสิ่งของนั่นแหละทนี้เราก็ต้องได้รับเต็มเปาเลยเพราะเราสั่งให้เขาทำนี่แหละศีล น, นี่ก็คือรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อยเพราะนั้นให้พวกเราทุกองให้รู้เอาไว้ว่าศีลและวินัยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาอาบัตเล็กน้อย เป็นมนทินของจิตใจถ้าเราไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ถือว่าอาบัติเล็กน้อยไม่สําคัญเราจะล่วงละเมิดทั้งที่รู้รู้ว่า น, นี่คือมันผิดกฎ ก, ฎกติกาผิดหลักพระธรรมวินัยนะเราไปทําเข้าไปถ้าทําเข้าไปไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแต่มันเป็นมนทินของจิตใจ ทำให้จิตใจของเรามืดมัวมืดมนไม่แจ่มใสไม่โปร่งใสในในใจของเราอันนี้แปลว่าใจของเรามีผงทุลีคือกิเลสคือผิดวินัยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องวินัยไม่ใช่ของเล็กน้อยมันเป็นเครื่องบง่งบอกทางด้านจิตใจด้วยเพราะถ้าเรา ทำถูกต้องเป็นธรรมเราไปนั่งสมาธิภาวนาใจของเราก็โปร่งใสเพราะเราไม่ได้ผิดต่อหลักพระธรรมมินายไม่ได้ผิดต่อกฎไม่ได้ผิดต่อศีกลกฎระเบียบเราเนลึกถึงศีลของเราโปร่งใสราบรื่นภูมใิใจในศีลของตัวเองเวลานั่งภาวนาใจก็เข้าสู่ความสงบ แต่ถ้าว่าเรานนึกถึงศีลมีที่ตําหนิในศีนของเราเวลานั่งสมาธิใจมันก็เข้าสู่ความสงบได้ยากเพราะจิตใจมันประวัติถึงความชั่วที่ตัวเองได้ทําเพราะฉะนั้นเรื่องศีลไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีที่จะก้าวไปสู่มักสู่ผลให้ได้เพราะนั้นพระเรียว่าศีลสมาธิปัญญา ศีล น, นี้เป็นพื้นฐานแต่ศรัทธาญาติโยมอ่ะท่านสอนเรื่องทานศีลภาวนาอันนั้นคือญาติโยมที่อยู่วงนอกเขาจะต้องมีทําการทําบุญทําทานการเสียสละแต่พระของเราเนี่ยเราเสียสละหมดแล้วภายนอกเงื่อนชาญบ้านช่องข้าวของวัตถุเราก็ามาบวชแล้วได้มาแล้วก็ต้องเสียสละไปอีกท่านจึงให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ศีลสมาธิแล้วก็เริ่มสมาธิแล้วจากนั้นก็เดินปัญญาเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์ต่อไปอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายอัานเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิเมื่อสมาธิดีจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาการกรองไตรตรองเหตุและผลก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงได้เพราะเหตุอะไรเพราะใจของเราเป็นสมาธิ เพราะนั้นสินสมาธิปัญญามันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นเราจะไปมองข้ามเอาแต่สมาบเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเราต้องการผลเท่านั้นข้าไม่ต้องการอย่างอื่นข้าต้องการผลเราจะทำยังไงรจรึงจะได้ผลออกมาถ้าเราไม่ปลูกต้นมันขึ้นมาก่อนเราก็ต้องปลูกต้นขึ้นมาซะก่อนมันจงค่อยออกดอกออกผลขึ้นมาได้ นี้คงเหมือนกันน่ะก่อนที่จะได้พิมุตต์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเราก็ต้องรักษาศินจากนั้นก็มีสมาธิในเมื่อมีสมาธิดีแล้วก็กั่นกลองไตรตรองจากนั้นก็รู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแต่ถ้าว่าเราไม่มีสินไปทําสิ่งที่ไม่ดีผิดเพระฟินัยมาแล้วก็มานั่งภาวนา อไปด่าเขาเข้ า, ขาไปทําอะไรเข้าแล้วมานั่งภาวนาจิตใจมันร้อนรนอยู่และจิตใจจะเข้าสู่จะเข้าเป็นสมาธิได้อย่างไรเพราะเหตุใดเพราะใจของเรามันออกนอกลูกนอกทางไปไปทำความชั่วช้าเสียหายมาจยกหยกแล้วจะมานั่งภาวนาทําให้จิตใจเป็นสมาธิมันเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ในเมื่อเป็นสมาธิไม่ได้และจะเกิดปัญญาได้อย่างไรจะกันกองไตรตองเหตุผลได้ยังไง มีแต่เรื่องวิตกเรื่องกังวลมีแต่เรื่องคิดถึงอดีตความชั่วช้าเสียหายวิตกกังวลอยู่งั้นนะมันไม่ไปไม่มามันถอยหลังไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่ต่างหากมันถอยหลังจิตใจถอยหลังในเมื่อถอยหลังอย่างนั้นล้วจะก้าวไปสู่มรรคสู่ผลได้อย่างไรสรุปแล้วเรื่องศีลและวินยัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสาหรับพระ กรรมฐานาพระปฏิบัติของพวกเราพวกนั้นอย่ามองข้ามเรื่องศีลและวินัยต้องรักษากฎกติกากฎระเบียบเอาไว้ตลอดถึงการอยู่การฉันก็เหมือนกันอย่าไปฉันแบบจุบจ๊บๆิบจิ๊บอย่างหลวงปู่จามว่ า, ากฎระเบียบในวัดมีอย่างไรเราก็ต้องรักษากฎกติกาในวัดเพราะว่าถ้าเราไม่รักษา เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไปภายภาคหน้าและตัวอย่างที่ไม่ดีนะั้นเป็นยังไงกระทำให้คนอื่นเข้ามามาเห็นก็ยึดตัวอย่างที่ไม่ดีของของเราเนี่ยที่ย่อหย่อนไปนำไปปฏิบัติและศาสนาจะอยู่ยงคงกระพันได้อย่างไรเราเองเป็นผู้มาทำลายทั้งที่ท่านก็รักษากฎกติกากฎกระเบียบไว้ดีแต่เราไม่เอาไหนเราเป็นผู้ย่อหย่อน แล้วก็มาอยู่ในวัดของท่านแต่เราอยากจะมาอยู่ในวัดของท่านแต่พอมาอยู่แล้วเราเป็นผู้ทําลายวัดของท่านใช่เองเอย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดคิดให้ดีท่านเราอยู่ไม่ได้อย่างกฎกติกาของท่านเราก็ควรจะพิจารณาตัวเองเพราะเหตุใดเพราะเราอยู่แล้วไม่เป็นผลดีมิได้ทำลายกฎกติกาของท่าน ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะไปอยู่นาสถานที่ใดก็ตามต้องรักษาระเบียบและวินยัยศีลและวินยัยกฎกติกาการอยู่ด้วยกันอย่างไรเราต้องรักษาถ้าพวกเราแหวกกฎกติกาหรือแหวกลำทำวินยัยออกไปแล้ววัดนั้นสำนักนั้นก็มีแต่ความปั่นป่วนหากดหา ความผาสุกไม่ได้แล้วก็ระแวงแคลงใจกันอีกต่างหากแล้วก็ซบซบซิบซิบกันอีกต่างหากเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราเข้าไปนะ ส, สถานที่ใดต้องฟังฟังอย่างมาศึกษากับวัดผมก็ต้องฟังผมผมมีจุดประสองค์อะไรที่จะให้หมู่พวกเพื่อนทำมีผูหมู่พวกเพื่อนจะให้ศึกษามีอย่างไร ผมคนแนะนำสั่งสอนถ้ามีความคล่องใจสงสัยก็ต้องมาถามผมเพราะผมเป็นหัวหน้าผมต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทาแล้วกาจะมาอยู่ที่วัดนี้ผลที่สุดก็หาผลออกไปมันไม่ดีเมื่อมันไม่ดีเสียหายใครเสียหายผมเป็นอันดับแรกเพราะผมเป็นหัวหน้าต่อไปก็เสียหายหมู่พกเพื่อนไม่มีก ฎ, ไ ม, มกฎไม่มีกติกา ไม่มีระเบียบในการอยู่ด้วยกันเสียหายทั้งวงทั้งหมู่ทั้งคณะเป็นที่ตําหนิของคนทั้งหลายคนที่ทั้งหลายนับถือเรื่มใส่วัดวาศาสนาเขาเห็นเข้ามาแล้วก็เอื่มละอาว่าทําไมพระสงฆ์จึงปฏิบัติตนอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายไปหมดแต่เมื่อเขาไม่นับถือเรื่อมใสแล้วอติเลกลาบหรือว่าสิ่งที่เขาจะมาทําบุญมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะคนไม่นับถือเรื่มใส ถ้าคนนับถือเริ่มสายวาอาถ้าปฏิบัติกับสงฆ์กลุ่มนี้ครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นผู้มีสินเมื่อทำบุญไปแล้วคงจะงอกเงยคงจะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราเพราะท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทุกองตั้งใจภาวนาทุกองตั้งใจศึกษาทุกองอย่างนี้เมื่อเขาเห็นหรือเขาเข้ามาสัมผัสอย่างพวกเราเข้ามาสัมผัสมาบวชอย่างนี้นะ มาบวชก็ามาก็ต้องมาศึกษาว่าพระสงฆ์ในวัดป่านาคําน้อยนี่เป็นอย่างไรหน้านับถือเลื่อมใสไหมแต่ผ้าสงฆ์ที่อยู่อยู่กลุ่มเก่าทําตัวเละเละเทะเทเกเลเกตรงอะไรก็ไม่รู้ละละลานๆอะไรก็ไม่รู้พวกท่านทลายออกไปกับพวกท่านทลายก็ตําหนิได้พระสงฆ์วัดป่านาคําน้อยเนี่ยดูดูแล้วดีแต่หลวงพ่อท่านนนะ่ะคือหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะอ่ะ แล้วพระสงฆ์อยู่ที่อยู่ด้วยนะทำไมทำตัวอย่างนี้มันไปทั้งโยงทั้งยวงทั้งกลุ่มเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายทุกองค์ที่มาอยู่กับผมเนี่ยต้องตรวจตราดูตนเองเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมอยู่ในศีลไหมอยู่ในศีลาจารวัตไหมเนี่ยอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยกันกลองไตรตรองดูตรวจตราดูตนเอง ไม่ต้องดูคนอื่นหรอกดูตนเองเออว่าเราเนี่ยอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไหมถ้าอยู่ในศีลแล้วถึงจะไม่ถึงมีขั้นธรรมะก็น่ากราบหน้าไหวาเพราะเหตุไรถึงจะโ ง, ง, ง่อย่างไงก็อยนในกรอบหลักพระธรรมวินัยก็เป็นพระที่โง่หน้ากราบหน้าไหวาเพราะเหตุไรเพราะอยู่ในอยู่ในหลักธรรมวินัยเหมือนกับคนคน ถ้าว่าโง่ก็จริงอยู่แต่ว่าเขาอยู่ในกฎเขาไม่ทำผิดอะไรเขาอยู่แบบซื่อชื่ อ, องโง่โงของเขาไม่ได้ค้าขายผิดประเภทไม่ได้ลักขโมยคนอื่นเขาก็เป็นคนโง่ที่น่านับถือเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ในกฎกฎติกาประเทศชาติบ้านเมืองน่าสงเคราะห์อนุเคราะห์เขาเพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์แต่ถ้าว่าโง่แล้วยัง ขโมยเล็กขโมยน้อยยังทําสิ่งที่ไม่ผิดผิดกฎหมายอีกเเป็นคนโง่ที่หน่าต่หนิอย่างมากถึงจะโ ง, ง่แล้วยังทําความชั่วช้าเสียหายใ ห, ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอีกนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันพระในพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะให้เสมอกันด้วยสติด้วยปัญญาเป็นไปไม่ได้แต่ถึงยังไงเรื่องหลักธรรมวินัยเนี่ยให้พวกเราทั้งหลายศึกษา แล้วก็ให้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยในเมื่อพวกเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยดีแล้วนะความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในกลุ่มสงฆ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายไว้เนื้อเชื่อใจกันลูกน้องก็ไว้ใจครูบาอาจารย์ที่มีอายุพัรษาลำดับขึ้นมาจนถึงผมผมเองก็ไว้ใจพวกท่านทั้งหลาย ลองตําดับลงไปจนถึงองค์สุดท้ายเพราะเหตุใดต่างองค์ก็ต่างกบเคารพในกฎกติกาเคารพในศีลในวินัยในเมื่อมีศีลและวินัยรักษาดีแล้วนะความผาสุกก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายตามที่พระพุทธองค์ที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นนะ นั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะให้รักษาศีลและวินยัยข้าพวกเรารักเคารพในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ารักเคารพในกฎกฎติกาที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้อยากจะให้พระพุทธศาสนายืดยาวนานให้พวกเรารักษาตัวเองให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้ทำร้ายทําลายพระพุทธศาสนาไม่ใช่ใครอื่นถ้าตัวเองทํำไม่ถูกนั่นแหละ ตัวเองนั่นแหละเป็นคนทําร้ายทําลายอันดับแรกจากนั้นคนอื่นก็เอาเป็นตัวอย่างทำร้ายทาลายตรงไปอีกผลที่สุดก็ไม่มีกฎกติกาในหมู่สงฆ์เมื่อไม่มีกฎกติกาในหมู่สงฆ์แล้วก็นั่นแหละอคนทางนอกเขาก็ขาดความเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรนี่อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้เป็นวันอุโบสถ ผมก็พูดเรื่องศีลและวินัยให้แก่พวกเราเพื่อเป็นแนวความคิดให้แก่พวกเราได้ศึกษาที่ผมพูดมาในผมมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆให้พวกท่านทั้งหลายใช้จติตใช้ปัญญาไตรตรองดูก็แล้วกันนะพอหลักพระธรรมวินัยเนี่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะไม่ใช่ของผมนะ เป็นของกลางนะเป็นของพระพุทธเจ้านะเหมือนกับเป็นสระน้ําที่ใสสะอาดสําหรับเลี้ยงสัต์ประสัตทั้งหลายผู้หิวห่วยในธรรมจะได้มาลงมาใช้อาบดื่มศีลแะศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแต่พวกเรามาเข้ามาอยู่ก่อนใชรทำปูยี่ปูยําไม่อยู่ในกฎในระเบียบทําให้พระสงฆ์ ขาดสีลาจจรวัตไม่เป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสเหมือนกับเราเข้ามากวนน้ำให้ขุนอย่างนั้นนะคนทั้งหลายเข้ามากับขยะขยแยงทีนี้ขยะขแยงพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเพรา ะ, ะเหตุใดเพราะคนเข้ามาอยู่ในวงการสงฆ์เนี่ยทำตัวไม่ดีทำให้คนอื่นเขาตำหนิดได้เพราะนั้นพวกเรานะถึงใครจะตำหนิตนเองก็ให้ตนเองนะดูตนเองก่อน ถ้าตัวเองตําหนิตนเองไม่ได้แล้วนั่นละ่ะอดีถ้าตัวเองอยังตําหนิตนเองได้อยู่อันนั้นแปลว่าไม่ให้คนอื่นตําหนิไม่ได้นะะตัวเองต้องตรวจตาดูตนเองอยู่เสมอเสมอเสมอนะอวันนี้ก็ให้แนวความคิดไว้เท่านี้ก่อนแล้วเมื่อเราสวดท้ายปฏิโมกจบแล้วก็ยังค่อยขึ้นมาอีกนะวันนี้เป็นวันพระ